ฝึ<ท>สาลาการศิวตอดุจเื้อจึงได้ตรงไปที่บ้านข้องการีเพื่อจะไปตากเอากาลีกับลูกให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วจึงพูดขึ้นมานักปินคุณสวยโงกหรือกเคือร้องละไทยแดงพ้องกาใจแก้วมาตันธรรมะนักไปเท้ากาสมนตายเมียนเกาสวนที้ป้าเจ้าควาง ไหวนา้าตั้งแต่เปลนผู้สาหฮวงเต่านเป็นผนะู้มากงนาอามสมามการแล้วเทสนาสำสกพ้นนนามุแหววามนวนท้าอมยกทาวายนแล้วใหา้จับสังนอกต้นเข่าัน ไมุ่กคนเน่นแจ่งแสดงก่อนกันแล้วนะเอาทำก่อนที่ต้องฟังเอาเดื้อหุ่แม่ฟังเอาเดือมมเอเด้อหยุ่นพ่อขัดติคก่อนบนสีสอนจาโบเทสนาะจ้งางไว้ปีนี้ อ, อตาตมาเสียวกันตามเรื่องบันี้ใครใครของสามทาง ก็มีแท่แเเพียงหน่อยเืินเก่านาฝากแม่ดือนาฝากแม่เดือฝากผู้เป็นลูกเตที่เป็นทิกะตัดดูร้องคิดดูภายหลังตั้งแต่เลา้ยงน้อยพ่อแม่คอยเอาอุ่นจุ่มใส่ผู้เรียนมามันปู่ป้าเท่ารา นี่แล้วให้จุดจ็่อสมาธิแม้ตั้งสติให้มันดีคั้นต่อทำยาื้อสายมายาเอาหูไปานายาเอาตาไปไร่ยาเอาใจไปทางืึงคอยทัฟังภาคเถื่อนตนเจ้ารรบจงจำเนินนาจางไว้ตอนนี้เทาสาโคกา คุทอนอันเหี่ยวเหียวอิจฉาเทียวจังสิสงนะความสิวขพอเวลาธรรมะเทียมโตประกาศแจงแสดงต่อทู้สุรันทุยุบกองตังระวังใสกันนะเยอะสุดต้กองเหตุผลอาคุมาสุดใจระวังขึ้นมาโค้งางไงขึ้นบนทางสางข์ ท่านวจิตต ว, ว่าข้าพร้อมเก็บใต้เข้าไปฝ่าพระไตรัตถ้าจักเปรไให้มาเนียังไกตุนขามเที่ยสายินนาข้าเสียงเอ๋อเท้าทั่วยนอสิหัวไอแกอออพระไตแกว้วฤทืนนาวาสา ขุคายาของพระสมริมาเทยดเต็ียดแตงมาสแสดงทูกก่อยพอ่อเราสู่ต้อนมาเดินดพวกคุณโอคนี่กายาฝอห่อนในฝันปันปันทันเรือพันนาเือกลใสาสาพันไทรร่ออนเดือววากันพทางกนตาทุนทางวุปมาอุการวังลาให้เขารูนใน ม, มือดิ้ง ฮาเทพไปมับอถืกกับหูฟูปุลยุให้อาจินจนหมดเลยยาเกี่ยงกันสันดบนามาสันทาย สืบต่อไปโดยมีเนื้อในใจความว่าสามาตปาปนะดฝ่ายว่ามารดาของนายมานพผู้เอาเมียมาเลี้ยงแม่ได้รู้แน่แก่ใจตนว่าลูกชายของตนได้ตกเป็นทาสของนางกาลีผู้เป็นภรรยาเอกทิวสังพันอยู่มานาวันหนึ่งเห็นลูกชายซักเสื้อผ้าส่วนานางปามาผู้เป็นภรรยาไม่อยู่บ้านจึงถามลูกชายของตนออกไปว่า มาโน้ยมาโน้กจิจัการงานสร้างคือขึ้นเองโดยตลอดลูกเอ้เจ้าสิพอดหอยสมรข่าวไฟเมียเพื่อมาให้เขาสักเอาเองละเสีอผ่านนะมันเป็นนาที่ผมปุญญาปุ่ยิงปลูกมาโน้กเอาอันมันเป็นเรื่องของข่อยดอกแมวเอ้ออันเสมอนี่สิทธิปุ่ยิงกับผู้ใช้เสมอกันเดิดแล้วอันเจ้าโป้งอันตี้อันเท่าอันนี่ โอ้ยแม่กระพุด <characteristics> ักเดียวอันซิบที่เสมอกันแล้วเขาใส่ลูกใส่หัวักผ่าักแทบปานนี้ทีเอ่ากายังาเรืเครือเรื่องของใครรเขาวันียเอ้ยข้าเจ้าพระยาเนี่ยไปซักเสื้อักผาแทนบูกแท่นเนียเจ้ากลมาสักแทบเลยเจ้าท่ละเทวันนี้หาเบาหาาไปตจิตธรรมเราเอ้ยมันสิเป็นบาปเป็นกรรมนี้ลูกหลาเอ้ามันก็แม่หนึ่เจ้าพระยาับใครสักเสื้อสักผ่าแท่นลูกแทนเี่ยเจ้ากัมาสักแทนของตัวนวเทวันนี้ที่บอกาหนั Budim, na na keo, po pang keo. สงเบื่อกอเยงนาะดันทันเทียบแงขอรอยสงสรแต่ในทันทีเจ้าวานรับบทใจถึกกับเย็นแต่ตอนต้นนาเหลือแหงสุนทรเขวบังมาข่วงยันเต็มทีนะบดร้องรับได้จันเทียบกูกูก้โอนาถึกคนหญิงตาลอดเรืองไงถอยใสชั้นนา หัวมันเทคว า, ายาดโบราณว่าทานันยาพัวต้อตงทำตัวไปมันหนทัที่ทั้งดอกที่จอมนาเออหัวมันเทคว า, ายาดโบราณว่าทันฟังเลยรออยู่นามีรําพงกำหนดส่วนซอยบ่อ้พบอคอุยเรื่อนาเมื่อความได้บทน้เสร็นาห้องเสียมมงเลจนปากเฝ้า เต็ดล้าส่วนมอนมุ่นเอเละมะเขือแข้งกระบอลืมนาอันเทถังมาฉาดเสื้อบรัาว่าคันเมียพวงต้องทำตัวไัยร้อนนาที่ฉันหลอกเธอเจอนะนาจิตจา ก, กันเมียต้องเฝ้าตกเขียไฟต้มบอมนาทัวหามาเมียอดอ้อ ก, ก็สวยสุดลายขันไม่เหียนมาไปหนาะ แล้วพ่อซื้อจังไปซื้อบอพ่อใจต่อมบ่นนะเวียทั้งหมดในงาน่า่เมียต้องให้กองนาะถ้วยบวก่องซ้ำหมอดกดผืนแพ้ผ้าพันเกียกในห้นแดงลอสันเมียจะต้องทาเลูบัทพังเจ้าพเนเินะมันสิแรนบ่ทางมาขผาเราสิเป็นตานรกทั้งนั้นนะ สมเียววันสิกายเป็นมากรวยมากโมสิเป็นเนีนาดีเราบ่มเกแทงสิกับกายเป็นมากรวบขวดหนึ่งเดือสิบสอเือนเจ้าสิวาหาหสา่าหามือคนสีเย่อถลุงอรู้ได้มาัวนาบ่แงหวังแต่ความนาตามวิทธิ สุขทาพนะ่ะคือจัญญาของนั้นนะ่ะคุณสติเ ต, ต็มเตี่ยมไทยบ่คิดอยากทเทียบที่เยี่ยมไทยบ่คิดอยากสอนดอกพุ่นนั่นบ่เม่นตัวนะอื้อการเจ็บมีต้นตายย้อนความนี้ เป็นคนสวยโลอกหรือหลกดเถือ่อนน้าแ้ความองใจแก้วไม่ตันพารามากยากไะเลเท่ากับสูงแม่นตายเมียนกับสวนโยนเนี่ยนะเมีความเจ้า็นนบนั้นบ่พร้อมไรเกียร์คุณสตรีน้ะมีแต่ทางชิบหายบ่จริ่มเด้อท่าอมนะคั้นเป็นดาวกับดาวเสาร ก้วมงมุหบมุ้ยน้อยบ่อยนเมียเจที่แทองเขาให้เกียรติสามอยากที่ไมไร่ต้องแบงเบาตะพองทอนะลูกสิด้อแม่พูดบกน้าเตุถ้าคว้าาเมีย้มอันไาเหตบ่เหมาะสมนาย้อเก็บทาตุลับใสให้สงนา สันดอกงามาลูกคออโอโอโอโอนี่ีนเยอันเศร้าราหน้าโนมเอ้ออันซัเสียซักผานจะไปหาสัเสียสักผาเท่ขอบานันมาเนเอออีจะบยอยากอายบานอยากอายเมื่อขึ้นบ่อมานท่านว่อยากอายบานอายเมื่อขึ่นกระยานเมียอยากอายเนเป็นอยางนเอา เจ้าหญิอไฟยางไา่คนกันยังมาจะมาสักแท่นไปถ้าสาวอดีนจะบ่อฟังสบายดีกันยังมาเลียงของใครดูดีมแม่ขหาว่ายดอกลูกตาลู่มข้างเอ้ยยญิงเนี่เจ็บเนี่ยเป็นผัวนั้นซักท่ำแท่นเมียกะไรยูแป่ว่าผัวนั้นรลอบลูกเช่าบ้านเป็นโบตีตัวอันนี้หญงเมียไปหารอบเหรนออมบ้านออมเมื่อทกัองทั้งลูกทั้งเตาทั้งซากเสือซากผาแม่ลท่านเป็นยากปานนี้แต่มันยากเนีปานป่ามันเป็นอะป่าซะอันไหนก่อ มันเป็นไห่ป่านีแม่ป่าปามันจะเป็นอย่างนี้นันมาสร้างว่าวันเทวานีอันัว่าแม่เขายังหักยังแย่งกันอยู่สิว่ายกให้เขาป่ากันยังไงมันแย่บออันเจ้าว่านันนาเทวานีเอ้ยอันเจ้าเจ้านี่เป็นผู้ไปขอเจ้าตัวเป็นผู้ไปมาลูกสะพ้ยไปยังไงเอาเจ้าเกิดขึ้นมาว่าปีนไปปีนมาว่าวรบไปบก้าอยู่กับฝมือเตียอันเท่าเต็มที่ที่แม่ซื้อเั็ที่ไม่สั่งกูสิเกินเสียา เต็มที่เต็มที่เต็มที่สุอ้ยแม่าบาอยู่หรกี่กี่่กว่ามันบเป็นตังสีมาาเยอันว่าหยู่นี่น่าโอกไม่น่าทนีะไรจะสรเมียสบเดเอาเอ้ยวดวานี่อแล้วมัเจ้ามันกลับสรงไปแต่ห้ามเลยแต่ว่าไปจะไปซอยางอยนี้เป็นท่าบุญวายลูกไผ่ถ้าว่ง ว่าบ่เป็นกุลสตุงสตรีว้าไปเจ้าสัตว์ยังสิโว้ยก่าลูเพื่อนรูกเจ้าขอางมีไงอนนี้สร้างเปลี่ยนแต่ร่้ไหมขึ้ดถ้าฟังบนนอกบนนี้นอโอดยู่นยืย่นสร้างน้บไหนนอ้อยเส้ากาลีเส้าเส้าเส้าเส้าเจ้านสมาหาว่าหาว่าหายเน่าต่อกาีเอ้ยไปเอานมคนให้ลูกินการีไปเอ้้าเส้าเส้าศูนยันนี้ก็เสียวขืนได้ ส่วนที่ราสีวไหรุ่นมันเปแต่ไกาลี่นี่วกคนรื่อส่าหนัน่อดอกทานวาเแบบนี้ว่าแบบวาแบบนี้แม่หมูอีด่างนี่ไหปัทโธเจ้ากล้าว่าให้แม่หัวานอีกาลีกาลีกาลีาอย่าั้ก่อกาลีเจ้ากล้าว่าให้แม่หัวานเป็นกาลีแล้วนค่กาลี่ ไปว่าไว้ออมันหัวนัดตีมาไเป็นไถพี่อนลงหลีมไเป็นไนนู้ได้ล้านอกู้ได้เป็นแนนเือนลังนึ่ น, น, นนะเศากาลีเาั่บอกเองเราจะโบมีหัวตีเ ด, วดวนนวดเดียวีกาลีเ้ยบราณเพ่นอนยานะเด็กกาลีเพื่อนวายจะเสียงกับพ้นเถ่าจ ะ, ว, าาจะาว่าวกับพ้นบ่าจะซาขคนเมาเพื่นวายะสั่นตัวกาลีไปไปอรุณีิโรกิน ก, กาลีไป คนโบราณโบเลณนี่ยังหรือพกหัวเรื่องดอกคนสมัยใหม่ได้่อย so นีิซี่ออยดิม่เรื่องนดอกคนโบราโบราณเบานี eno, ่มาจะไหนการี่รองเบาไหมขนาดคนโบราโบราณเบาแตก็เข้าใจดอกอยหูวแต่ว่าคนสมัยใหม่นี่เขาเบากันมีแฟนมากยิ่งกว่ากิกตน่มีกิ๊กมากยิ่งกว่าแฟน บทจบเลยเรื่องง่ายๆซ้ำดิแม่วาเราลูกผืนลูกไผ่ลูกข้นเลค้นมีนามีตาเรเซากีซเซ้าเซ้ะยังว่าบอกใลเซ้ากาีเยจะถิหาเทียงก็มีแม่ต่อไปเอาน้อไปูกินคุณไปนบาร์บิสยจ ฟั่งทพี่วเาทั้งปันกาดีเ้ยสิไปสี่มาทั้งในกระไรกาดีฟังก็ชื่ฟังเลยละ่ะเ <c oughs> มื่หนาคอยแ น, นนี่เป็นเลขซีวะเหรอเนี่เผลอๆเป็นเลขศูวันพอ่อ้าวเฮ้าบัดนานล นำยากับลูกไปละเจ้าบ่บ อ, อควากันเดนหองเยนนำม่วสมาี่สิกันละความสุขทนไหวละไปคือความสุขเสียลูกแลีเมียนกจำจีนนำยู่นำกันดีเดียมาที่ต้องคำกวันละแสนพันฝัือคนเท่านำ จึงจำใจได้อ er, ้าวละเป็นใจอีกขยี False, ่ยงนอบอ่อนกันนอนผ้ารอกุ้งความนอนน้ำและแม่ออ้วโอ้ยเจ้านั่นสามารถความกินเมียไปรอกทั้งเดยมเดมน้ำและแม่เจ้าสิ้นสาวคนว่าควเมียรักความไกรนะเห็นแต่ไม่แล้วไป นี่แหละแสนที่พวกเจ้าฝวงรักไฟนั้นน่าตั้งใจเป็นผู้สารวงเจ้านั้นเป็นผู้หมางหอกค่อให้เราหมอนสานน้ำเดี๋ยวเดี๋วไอ้พนกเกขอยไปก่อนเด้อเกียร์สั่งขี้เหร่หนีว่าใดดอกหนีไปหนีมันดอกขี้เหร่ค่อยหนีไปวานแม่ค่อยปวดอลับเพราะไม่หนีแม่สั่งคนเนี่ยมี หอบหลูหอบเต่าน so ี <making lingt> ้วะเขียดเฮงไปรอดไปเลยแหละหี่น้ยเห็นแต่หลังวัยวัยแล้วบ่มันคือเป็นตะเสกยเสียไม่ยาดบุกรุ่งนี่มีไม่หยางมากนะใช่ตัวกัชีโมงขโม่งแรมากทอดมันวาง นนางก็เป็นตาแฉะเป็นตาแตาบกุงกินกับนางทนธรรมะแค่ไหนปไนปหกมเป็นนัวโลเนาะแเป็นหสรฝันมาเห็นทอันจนตาบกุงเนาะเออโอเจ้านั่นสมห เหนเมียใครรอทั้งเดือนน้ำน้ำลาแม่จะสิ้สาวคนว่าทอเมียรอความไขน้เห็นตาไวแล้วบาดนีล่ะแสนตึงที่ปวดเจ้ากว้างน้ำไนั้นหน้าตั้งใจเป็นผู้สารฮวงเต้านเป็นผู้มังอกรอยเราบ่แม่สารเน้ลาเมียใครบ่เห็ เจ้กากว่าแต่ครานไปสิอยู่รอกน้ำไหวบริเวณใจลูกใช่เลยเจ้กาก็สาวรอกเร่าเรื่องน้ำเหนือโนยุ่งงงเอานี่ลาโน้บุญจะเมืองห่างในุนเที่ยนคาดมือง น, นางลายออนสืบยึด บ, บัตรลงังเป็นกระบดโตรเดียว ด, วดววอกจำเจ้าจึงห่างเมือง ยนนนำนวบตาต้อเตืองกันเด็นละมากวัวให้เพราะว่าใบบรุกหน้าว่ามาปรานมุ่นเสียงเดินนำลาแผ่เสียงไก่ส่งเจ้าเพราบความเพียรนันหลุดลนานำเกิดการร้องควงเสกกาคาดทั้งติบดัดยังนักเรื่องผาจึงห่างคิ้วยนนนำตอนนี้ปากาด ามังลึกใกเป็นตัวมุมไกลเป็นอูเทรอกบานเมียนนันอูเต้าดำเท้าบ่ยุสมเท่าก็หามัวขันสอนละเพื่อรอแม่บักไว้น้ำตาหน่อยดอก้าวเรียงโ้ยอันนาโวยเจ้าคนกินข้าวก้องนแก่ดอคือหมูเลยบ่ดูตายขันบังลึกรอกตามนาำ เจ้าฟังบาตุนี้ป่ารอฟังไกรน้ำนาสิวันจังน้าตาณาสวนจังน้ำก้อยธันาสมจังหมักเน่าเฮาน้ำผัวเมียเขาได้แต่กล่ากันยอนปากกอสีฟันกันหาคอรีคือปากใครเสียกรอกเดียวนี้น้าเจ้าว่าเจ้าวังดีแต่มันกายเป็นไรล่ะสร้างบัดตายแต่ต้องน แก่เล้วเท่าปากมาลับพ้อยเกินฮารุ่มเวนน้ำโอ้ยกันแม่ไฟได้กุ้งกะเหล่ากันรัฐบาลเจ้าต้องคัดเน็ตเท่าสาวลุมเข้มารนอยน้ำดาวว่าเพื่เนียควงควายลามอมีเพสิรีตานมีผู้เล่นกาสิตอนามียูรุงกาสิตรุมมีวังแทะชนะคนเวนน้ำ หนาคันไมน่ลงใกล้จนจาต้องเสียไกล้จนหลาลุางสิบเงิต้องเสียแสนนำ้ำลาแม่นราชาวเมืองลงแกงคานันระพร้อมแขวนำเบาปืนกาณินังกันแม่นเปียบดังเฮาจาต้องเก็นเฮาหน่อยมันไปเสียวเถื่อนพอักเข้าขความ ลาขันแม่นกว่ากาแม่นกว่าป่ า, ม น, ป า, ปา น, น, นมันผูกก้อสร้างก้อเตียงเหนืน้ลาขันแม่นเปียบนาบเวียงแต่ยังเล่นไม่หลังขันเป็นวังกาวังเลืกกาเยียนรอทังนามนามนามกะลีกะตามถอนคำแสนวันว่มีทวารไปผู้ว่าสอบพอหรือปากแกงปากกาลามเอาจังสัน้นก็เอิญเข้าปากมาเราคาเรื่องแซพา บ่มีทางว่าสิห่างอยากกวนว่ากันนั่งสนอะไรนั่นก็จำละจอไว้บ่ลืมทางน้ำเบ้าพื้นทางกู้ไฟว่าเพียกันหลักจากน้ำที่เพียรเดินงานสารเพียงหลอดน้นสร้างภูเขาแน่งน้ำลาเจ้านั้นตาวอดอย่างไม่อยาแข่งกาบเขาเอาตำแยนมผู้ใส่หลอดต้นรางน้ำ เจ้าหนี้ไปสิข้าหยบบางว่ามีตั้งวาสิหวังรักจางไห้แขว้นน้ำตวงจางให้โนมอรีอั่นยางง เกิดราไมียาเขาไปขึ้นให้ไปทาแม่อันภาษาเนี่ยผู้เดียวหนึ่งขั้นมันปาหนีมานกดีครับป่าหนีการมันไปหลวดเป็นอยังมากโนปึเอาแง่สีหาไม่เหรอแั่ผู้สาวผู้หทุ่มเงนเกิดมากขึ้นหอกกันอยู่ตัวละไม่เลยถ้าได้ยาหนามสงมันหลดไป็นอย่างหลุดแง่น่ อันซูเมอร์นี่นั่นอันวาพูยาพงยญิงเกินกกดนาคุณโมกานันเทาวานีแต่ว่ามันกับโอมากคือกาลีนที่เพชทเจ้าไหนสถานเทวานีโอมาคือกาลีเน่โอ้ยมันสิบุดดี้สังเดชกับบอคือนั่นกาลีเราปฏิบัมันสีเพช่คือจ้ไหนล่าเทวานีอเอ้ยเ่าจะมาบอกจังสันเน่เรืร่องเนี่ ย, อยอ ข, ของไขไป่กระหัอันไข่ก็ปลวกกับเนี่ยอเกิดิดากันแ้เกลได้เท่านีอันเราได้เป็นผิวเพชิเนียฝ่ายนี้เจ้าเป็นผเพชรผิวเนี่ยเดือน ปีปไปเศรษฐกไปโอ้ย <rôle> ส <à déc> ีให้แม่ไปอยู่ส่รกาโอไปวดซีอยู่ัดปาต่่อมน้ืม โย์ yeah, เบียสซ้ขอบุญพ่ออยากปลอยเ็นตนาา้โนาให้ยงกระดางลูกขะ่กเห็นสวัดีถึงวคือเแมนเสียงสูตรพดไมันีขาดเสียงมันชุบชั่งละเท่ามละเท่านาล้หนาลนาสเบอรหนักกะเท่าอันี้เมนนาพเยพ กินกางฟพวดแล้กันคนลเทีถือกลูกมเดียบสัมขับปุณนพ่ออยากบอยรอเมืนตายนาฮ่าลูก น, นาสิทธิี่เดินเข้าไปอปหายรบผู้สอนข้างนนาลึกอีอันเป็นรรมดาลูกบอคพูสิเกินเ่งนาไทยพูดเป็นคนพวางนาความคุณโลกพอกับแม เหตกับตันยูบาหง้วยหอยจ้ดานาบุดบาสุกยงสานาสาเด็กท่กับผาห่วยคุณบาสุกควมรวยสาตร์มันถือจนคนนาสาปถิ่นความอดทนนาบ้าเล่นคนกับเปลือยนาวาสิ่งเศ้าให้หายไม่จากวาสื่อสา ดินดอคุมนาจังใบตอนเยนา่ด้จังทีเมตตากุถมอโรกคุ้มนานันบ้ม่ตััมนาปนจีผ่านแทนะโยนกลเป็นแทลห่วงบังให้บุกไปน่แห้งคิดไปแหงเสียใจ พินในสมงยน้าน้านกเอโอน้าแม่ฮักมูป่าเมฆนขักนเลนถือเป็นฮักอ้ามตาขางน้าบ่มียามดอกลางลางตลอดห้ดอกไมสินนาทักกันอินกันฟา เตียนนะแม่นมีผู้เอาเงื่อนมากพอเด็ดลูกหน่อยจากแส่ล่านแม่บ่าวนะจุดพุ่นเตียบลูกต่อเสมือนเนตรดวงตานะเทกพมาเหงาอะไรหมดแดงหลบเงยบนะอู้มาดามตาไปเป็นสีเขียวๆเลยมี